ไม่ใช่คิดเอาต้องทำลงไปผูผู้สติก็ได้สตินั่นเป็นกรรมแต่ละยานังว่ป้าปาการาังวางที่เราสวดบุคคลหวานพืชเช่นใ ด, ดย่อมได้รับผลเช่นนั้น <c oughs> โอ้ทำกรรมดีก็ย่อมได้ผลดี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 แต่ไม่มีวาฒ น, ะน้บุญก็ไม่ไี้จักรักษาบุญแถวบาบบุญเดินทำได้แต่รักษาไม่ค่อยได้ศีกลก็รักษาอขอได้แต่รักษาไม่ค่อยได้สำคัญอยู่ที่รักษารักษานี่สำคัญที่สุด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 หัวใจเศรษฐีอะไรก็อยู่ในเกณฑ์นี้ทฤษฎีนี่สำเร็จก็ไม่มีทฤษฎีสีข้อนี่ไม่ทำไ ม, ไม่สำเร็จ <c oughs> เรียกว่าออกาะสะหัวใจเศรษฐี <c oughs> เป็นข้อปฏิบัติไม่ใช่คิดเอาํำลองไปอ๋อมีแล้วรู้จักรักษาไว้ เขาจับชยชยใช้อะไรใช่ตาใช้หูใช้จมูกลิ้นก า, ายใจอย่างไรใช่ให้เป็นถ้าใช่ผิดก็เป็นทุกข์เป็นโทษถ้าใช่ถูกก็เป็นประโยชน์เดือดร้อนถ้าใช่ผิดก็มีคุก ม, มีตารางมีตัวบทกฎหมายมีรัฐธรรมนูญมีสตาวุธิมีกองทัพ ไม่ตำรวจทหารไม่แต่งานบุญที่มีอยู่ทั่วไปก็ต้องมีตํารวจมารักษาเป็นสองหลงพักสามหลงพักบุญถลายเป็นอย่างนั่นน่ะถ้าเรารักถ้าเรามีบุญจริงๆก็ไม่ต้องมีใครมารักษาบุญมันรักษา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 เป็นทางไปสะดวกทางนี่สะดวกเป็นดอริยมรรคคือดูเห็นตายเห็นท า, เนทางเห็นที่เถิ่นทางดําเนินไปอย่างถูกต้องผู้ถูกทำถูกคิดถูกการงานชอบตั้งใจชอบต้องสติชอบมีฝึกได้แล้วมีสมาธิชอบถึงมรรคถึงผลรวมสําเร็จได้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 ดางพอหลวมเท่ า, าแข่งเท่าไปเท่าเหมือนบอกหมคนตาบอดเอาไห ม, ไมเกี่ยวไปข้างหน้าก็รู้จักทางไปทางนี้สัมผัสการชีวิตเราก็สัมผัสอะไมีสติรู้ดูแล้วเห็นเ็นแล้วไม่เป็นมันสมบัติมัสะดว ก, ดวกถ้าเป็นแล้วไม่ไม่สะดว ก, ดวกติดขั ด, ดเป็นศุขก็ติดเป็นทุกข์ก็ติด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 พ่อเปรีมขกรมฮะไม่เนบอก้เท่าก่อนโบราณเอ็นกอนเกิดกระชาติปิทุขาหันทะหังอดิกัรยานังกะโลมิเอ็นกอนแก่ฉลาติปิทุขาหานะหังอดิกัระยานังกะโลมิเอ็นกอนเก็บพยาติปิทุขาหานทะอธิกัรยานังกโลมิ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 หลงไปทางไหนก็คือหลงหลงในต่อในหูจมูกเลี้กายใจอันหลงไปทางใจนี่ยาวนานมากเรียกว่าคิดใจธรรมสัก่าธรรมเนี่ยไม่ใช่สัตว์ปุคลัตตนโลเขาอันตาก็มีเวลาหูก็มีเวลาจมูกเลีน้น กายก็มีเวลาแตใจไม่ค่อยมีเวลาไม่เห็นอะไรก็มีเวทนาความคิ ด, คดงงอๆอเฉยไม่มีอะไรเห็นก็ส้อมผัดได้เป็นสุขเปทุกข์ความคิดคิดขึ้มานอนไม่หลับคิดขึ้มาน้ําตาไหลคิดขึ้มาร้าวลับคิดขึ้นม า, น า, า, นมาราัก เ, รเกียจจริงมีเหมือกันแต่ถ้าหัด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 พอมาได้หลักหลงพ่อเทียนสอนเนี่ยโอ้ยคิดถิ่นพระเจ้านี่แหละพระเจ้าอยู่เฉพาะหน้านี่แล้วหัว อ, องเ์กคิดอย่างนี้ทํอย่างนี้น้อยกะตือเหลือร่นอยากแค่มันทุกข์อยากแค่มันหนลงอยากคิดแจ่งเท่าหาัเชื่อหน่อแหละบางทีล้าน้ดูควาไปคิดดูสิมันจะทุกข์ัหมมันไม่ลงถ้ามันเห็นแล้วไม่ลง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 ดำอินอินเน่งบ่อยๆ่ยเนงรื่อยเน่งคือติงอาศัยใจก็ไม่ใช่ว่าแบบเรานะไวนิงติงนิาศเรานะติงนิงติงนิงอายติงนิงติงนิง ตนิ่งต่อมาก็ไหวนิ่งไหวนิ่งภาษามาเลยนิ่งนิ่งเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะไหวยอยู่บางเลยไม่ไม่หวาถอเหล่าฟองแม่น้ำของต่อมาก็ไม่มีนะมีแต่รู้จึกมันคัดมาอย่างดีแล้ว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 รู้จึกตัวรู้จึกตัวราษากลางๆถ้าภาษาบาลีด้วสติสัมปชัญญะภาษาไทยด้วรู้สึกระลึกได้ภาษาหลั่งอเวเหรอเวรเคยไปสอนหลั่งใช่ไห้เวรอเวร์อเวร์ภาษาจีนว่าไงต้องสมหญิง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 ความทุกข์ก็พันเดียวความโกรธก็เพีนเดียวความหลงก็พันเดียวไม่งอกไม่งามเ ม, มือนจบไปก็จบไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นใหม่เหมือนโลกไครไขเจ็บไ้ห ว, วัดพันใหม่จังมีอยู่ <c oughs> อนโลกตัวเนี้ยรักษาได้เจ้านพุทธเจ้าวิยยนอยูสี่เพง้งห้าพ้งตะโกนเรียกอโลคยาปรมาราภา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 ฉันนอนไม่หลับฉันนอนไม่หลับสามีก็ออเอามือตะแคงไว้นอนตะแคงข้างซ้ายข้างขวาเอีกมือขึ้นดูให้ลู้อย่างนี่นะเอกมือลู่อย่างนี้นั่นี่มันก็ยังมาหยดุดมันคิดไปหนนั่นแหละมันคิดแต่เรื่อกลับมาสอนเหนียในห้องนอนนะกลัมมากับมาบมาลูกเนี่ยมันคิดไปกลับมา พิกไปพิกไปพิกไปเห็นตะโกนโสตอดสับแล้ว <laughs> มันหลับนะไอรมันคิดเราไม่รู้จะเปลี่ยนให้รู้อะไรมีนิมิตมีเครื่องหมายก็ะดิกนิ่วก็ได้หายใจก็ได้ถ้าเราเจียงนะทีแ้กก็ตอ้องอาเจย์หยาบๆอาเจย์หยามหรือนอนเอามือวางไว้หน้าท้องพิกมือหรือก็ะดิกนิวนกน่วด้วยวันคิดไปก็มา ด้ว่ากรรมมาฐานมีที่ตั้งมีการกระทำให้มันติดทํามันคุ้นเคยสอนมันเหมือนเชือกเอาหดวัวหัดควายเชือกดึงมาสาตนินี่เป็นคลายเหมือนเชือกรู่เชกตัวแต่มันคิดก็กำมาตะมง่วงก็กำมาตะงแรงยืดอคอขึ้นตอนที่ก็อ๋นอกรูปแบบอกรูปแบบ ยกมือเครื่องสูงอ๋อเจียบเขาเหยียงมาดรงๆยกเครืยกมือสลู่สุดเจี๊ยนกรูปแบบให้บัย่ทานลมาไม่ใช่พอง่วงบปบปับปับปับปับป เอาเงื่วงรับตาปีอาปรกขาไม่อาไม่อายเลยปิด <Okay. S 1> <laughs> ปากไว้ให้มันลมโอโหืออเบง ข, ขึ้นมาให้มันรู้ทักตัวเนะนั่นแหละโอกาสดีนะาทีทองนาทีทองเลยแจ่ความผิดจะได้แก้ให้มันถูกความทุกจะได้แก้ไหมทุก อังโกจรจะได้ใช่ไหมโกรให้รู้สึกตัวมันจะเจ๋งกันไวเจง๋งแล้ว น, นี่ฝึกจากเนี่ยไว้ใช่ไปอ้อนวอนให้ก็ให้ถึงมรรคในพันนะนวัตการเบื้องหน้านอนเทินโน่นเท่ า, าไรผี่พวกผีชาติเดี๋ยวนี่ไม่ได้เลย <laughs> ใจดีเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยใจดใจีเดี๋ยวนี้่ใจเย็นเดี๋ยวเนี่ไม่ได้เลย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 ส่วอบายได้ถ้าหลงให้มรู้ไปทางสูงเป็นมนุษย์เป็นสวรรค์นิพพานได้ันแยกตรงนี้นถ้าหลงเป็นหลงไปทางต่ำเรือกขนไปทางตกน่โลกเท่ากับขนโคถ้าหลงเป็นรู้ไปทางสูงตกต่ลกเท่ากับเขาโค่ถ้าตกต่างน้อยที่สุดละถ้าไม่เปลี่ยนก็ตกต่ลกเท่ากับขนโค่มากมันอยู่ตรงนี้นสี่แพ่งจะไปทางไหนเรา